พระสุดตันตปิดกขุทธกนิกายชาดกภาคสองเล่มสองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมหานิบาตชาดกหนึ่งเตมิยะชาดกว่าด้วยพระเตมีทรงบำเพ็ญเนคขมมะบารมีนางเทพธิดากล่าวว่า ท่านอย่าแสดงว่าเป็นคนฉลาดจงให้ชนทั้งปวงรู้กันว่าท่านเป็นคนโง่ชนในที่นั้นทั้งหมดจะได้ดูหมิ่นท่านว่าเป็นคนกาลกันนีความปรารถนาของท่านจากสำเร็จได้ด้วยอุบายอย่างนี้พระโพธิสัตว์ตรัสว่าข้าแต่แม่เทพธิดาข้าพเจ้าจะทำตามคําของท่านที่ท่านกล่าวกบข้าพเจ้าข้าแต่แม่เทพธิดา ท่านเป็นผู้ใครประโยชน์เป็นผู้ใครเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าแน่นายสารถีท่านจะรีบขุดหลุมไปทาไมเราถามท่านแล้วท่านจงบอกแกเราเถิดเพื่อนท่านจะใช้หลุมทำประโยชน์อะไรนายสารถีกราบทูลว่าพระโอรสของพระราชาเป็นใบ้เป็นง่อยเปรี้ยเหมือนไม่มีพระมนตพระราชาตรัสสั่งข้าพเจ้าว่า เพิ่งฟังลูกเราเสียในป่าพระโพธิสัตว์ตรัสว่าแน่นายสารทีข้าพเจ้ามิได้เป็นคนหนวกมิได้เป็นคนใบ้มิได้เป็นคนง่อยเปรี้ยมิได้มีอินทรีย์วิกลวิการถ้าท่านฟังข้าพเจ้าในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเชิญท่านดูขาและแขนของข้าพเจ้าและเชิญฟังคำพาศิ์ของข้าพเจ้า ถ้าท่านฝังข้าพเจ้าเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนายสารธีกราบทูลว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าศักกะปุรินททะท่านเป็นใครหรือเป็นบุตรของใครพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราไม่ใช่เทวดามิใช่คนทันมิใช่เท้าศักกะปุรินททะ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 พระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นจากเรือนของตนไปที่ไหนไหนย่อมมีพักษาหารมากมายคนเป็นอันมากอาศัยบุคคลผู้นั้นเลี้ยงชีพ บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นไปสู่ชนบทนิคมราชธานีใดๆย่อมเป็นผู้อันมูชนในที่นั้นนั้นทั้งหมดบูชาบุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรโจนทั้งหลายย่อมไม่ค่มเหงบุคคลผู้นั้นกษัตย์ก็มิได้ดูหมินบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นย่อมข้ามพ้นหมูอมิตรทั้งปวง บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นจะมาสู่เรือนของตนด้วยมิได้โกรธเคืองใครๆมาได้ความยินดีปรีดาในสภาที่ประชุมก็เป็นผู้สูงสุดของหมู่ญาตบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นส ก, การะคนอื่นคนอื่นก็จกสักการะตนเคารพคนอื่นคนอื่นก็จะเคารพตน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 ย่อมไพรโรดดุจเทวดามีสิริประจำตัวบุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรโคทั้งหลายของบุคลนนบคลผู้นั้นย่อมเกิดพืชที่หวานไว้ในนาย่อมงอกงามบุคคลผู้นั้นย่อมได้บริโภคผลของพืชที่หวานไว้บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตร บุคคลผู้นั้นตกเหวตกภูเขาหรือตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่งไม่เป็นอันตรายบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรเหล่าอมิตรย่อมย่ำยีบุคคลผู้นั้นไม่ได้ดุดต้นใส่มีรากและย่านงอกงามพายุไม่อาจพัดผ่านให้ล้มได้ฉะนั้นนายสารธีกราบทูลว่าขอพระองค์เสด็จมาเถิด ข้าพระบาทจักนำพระองค์ซึ่งเป็นพระราชโอรสกลับสู่มเทียนของพระองค์ขอพระองค์จงครองราชสมบัติขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระองค์จักทรงทำอะไรในป่าพระมหาสัตว์ตรัสว่าแน่นายสารถีพอทีสำหรับเราด้วยราชสมบัติพร้อมด้วยญาติและทรัพย์ที่เราจะพึงได้ด้วยการประพฤติ ธ, ธรรม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 จะประชุมกันให้เครื่องบรรณาการแก่ข้าพระองค์พระมหาสัตตร์ตรัสว่าพระชนกและพระชนนีสละเราแล้วชาวแว่นแคว้นชาวนิคมและกุมารทั้งปวงก็สละเราแล้วเราไม่มีเย่าเรือนของตนพระชนนีทรงอนุญาตเราแล้วพระชนกก็ทรงสละเราจริงๆแล้ว เราจะบวชอยู่ในป่าคนเดียวไม่ปรารถนากามคุณทั้งหลายความหวังผลของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดนายสารถีประโยชน์โดยชอบของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมให้ผลแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วออกบวชแล้วจะมีภัยแต่ไหนเล่า นายสารธีกราบทูลว่าพระองค์มีพระดำรัสภัยราะและมีพระวาจาสละสลวยอย่างนี้เอตฉไห น, นจึงไม่ตรัสในสานักแห่งพระชนกและพระชนนีในการนั้นเล่าพระมหาสั ต, ตรัสว่าเราเป็นคนง่อยเปลี้ยเพราะไม่มีที่ต่อก็หาไม่เราเป็นคนหนวกเพราะไม่มีช่องหูก็หาไม่ เราเป็นใบเพราะไม่มีลิ้นก็หาไม่ท่านอยากเข้าใจว่าเราเป็นใบเราระลึกชาติบางก่อนที่เราเสวยราชสมบัติได้เราได้เสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกอันกล้าแข็งเราได้เสวยราชสมบัติในการนั้นยีสิปีต้องหมกไหมอยู่ในนรกแปดหมื่นปีเรากลัวจะต้องเสวยราชสมบัตินั้น ขอชนทั้งหลายอย่าพึงอภิเสกเราในราชสมบัติเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พูดในสำนักของพระชนกและพระชนนีในการนั้นพระชนกทรงอุ้มเราให้นั่งบนพระเพลาแล้วตรัสสั่งข้อความว่าจงฆ่าโจรคนหนึ่งจงจองจําโจรคนหนึ่งจงเอาหอกแทงโจรคนหนึ่งแล้วเอาน้ําแสบราดแผลจงเสียบโจรคนหนึ่งบนหลาว ตรัสั่งเจ้าหน้าที่นั้นอย่างนี้เราได้ฟังพระวาจาอัญญาบขายที่พระชนกตรัสนั้นจึงกลัวการเสวยราชสมบัติเรามิได้เป็นใบก็ทำเหมือนเป็นใบมิได้เป็นง่อยเปรีย้ยก็ให้คนเข้าใจว่าง่อยเปรีย้ยแกล้งนอนเกลือกกลิ้งอยู่ในปั ส, สวะและอุจจาระของตนชีวิตนั้นเป็นของลำบากเป็นของน้อยทั้งประกอบด้วยทุกข ใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเบนด้วยเหตุการณ์บางอย่างใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเบนด้วยเหตุการณ์หน่อยหนึ่งเพราะไม่ได้ปัญญาเพราะไม่เห็นธรรมความหวังผลของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดนายสารถี ประโยชน์โดยชอบของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมให้ผลแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วออกบวชแล้วจะมีภัยแต่ไหนเล่านายสารธีกราบทูลว่าข้าแต่พระราชบุตรแม้ข้าพระองค์ก็จักบวชในสำนักของพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดตรัสเรียกให้ข้าพระองค์บวช ด, ด้วยเถิดขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ข้าพระองค์พอใจจะบวชพระมหาสัตตรัตว่าแน่นายสารถีท่านจงไปมอบคืนรถและเป็นผู้ไม่มีหนี้เถิดเพราะผู้ไม่มีหนี้จึงบวชได้การบวชนั้นท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งสรรเสริญแล้วนายสารถีกราบทูลวา่าข้าพระองค์ได้ทําตามพระดํารัสขอพระองค์จงทรงพระเจริญ พระองค์ควรจะทรงทําตามคําที่ข้าพระองค์ทูลวิงวอนขอพระองค์จงประทับรออยู่ณที่นี้จนกว่าข้าพระองค์จะนําพระราชาเสด็จมาอย่างไรเสียพระราชบิดาของพระองค์ทออพระเนตรเห็นแล้วคงทรงพระปีติโสมนัสเป็นแน่พระมหาสัตว์ตรัสว่าแน่นายสารธีเราจะกระทําตามคําของท่านที่ท่านกล่าวกับเรา แม้ตัวเราก็อยากเห็นพระชนกของเราเสด็จมาในที่นี้จงกลับไปเถิดเพื่อนรักท่านจงทูลแก่พระญาติทั้งหลายด้วยก็เป็นการดีท่านเป็นผู้ที่เราสั่งแล้วจงกราบทูลถวายบังคมพระชนกพระชนนีของเราพระศาสดาตรัสว่านายสารถจับพระบาททั้งสองของพระกุมารและกระทำประทักษิณพระกุมารแล้ว ขึ้นรถเข้าไปสู่ประตูพระราชวัง